ความรู้สึกตัวที่เรากลงมาฝึกหัดกันอยู่ที่วัดป่าสุขโตมันไม่เป็นการสุ่มแล้วก็เสี่ยงตรงไปตรงมาการเคลื่อนการไหวของกายของใจรูปธรรมนามธรรมมันมีอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่กลับมาดูมัน เห็นมันเข้าใจมันสัมผัสกับมันอย่างตรงตรงเป็นปัจจุบันขณนะขณนะต่อขณะมันเป็นวิธีพุทธวิธีของพุทธธรรมมันก็นำชีวิตเราไปสู่ความพ้นทุกข์ การเข้าไปในคันห้าระยึตมันก็เป็นทุกข์การเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นรูปทานามทากันห้ามันก็ได้คำตอบทุกคลั้งมันก็หลุดพ้นออกมามันจึงไม่เป็นการสุ่มแล้วก็เสี่ยง รู้สึกตัวครั้งใดก็ตามจะเป็นการหลุดพนะนะ้ะนขณะตะะนะ่อขณะขณะต่อขณะใหม่ๆการเคลื่อนมือหรือว่าเดินจงกลมเป็นรูปแบบของการฝึกการหัดเมือ่อสติมีความมั่นคงประกอบด้วยสมาธิปัญญาครบองค์ หมายถึงว่าเป็นพลังในการขับเคลื่อนรวดเร็วทันใจทุกเมื่อไหลออกทันทีมีความคิดเกิดขึ้นมาไหลเห็นทันทีการกระจับขับเคลื่อนของกายอย่างหยาบยิ่งถูกรู้ถูกเห็นตั้งแต่เตือนยันหลับมันจึงเป็นความสะดวกคล่องตัว ยุคโบราณอาจจะมีวิธีกรรมจารีธิ์ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเป็นกุศโลบายที่ทำให้คนมารวมตัวกันหรือว่าสร้างสรรค์ความดีความงามความสุขเราจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือว่า กุสโลบายความแยบคายวิธีกรรมต่างๆเพื่อแสดงออกถึงปัญญาที่จะพาให้เราทุกกายทุกใจหรือว่าทุกประความเป็นอยู่น้อยที่สุดบางคนไปหลงติดยึด ในวิธีการต่างๆพิธีกรรมต่างๆรูปแบบต่างๆมันก็ดีแต่ว่ามันดีในระดับที่ยังเป็นทุกข์อยู่แต่ว่าถ้าแกะลอยลึกๆไปจริงๆนะผลของการการะทาเหล่านั้นทางกายวาจาใจของการดำรงชีวิตนะที่ต้องมีการเกี่ยวเนื่องสัมผัสสัมพันธนะ์เชื่อมโยง จนเกิดการกระทบกระเทือนในแง่ลบน้อยที่สุดเหตุของขก็คือความรู้สึกตัวนี่เองแล้วก็รู้จักใช้วัตถุสิ่งของหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆฤดูการต่างๆให้เป็นเรื่องของปัญญาเป็นข้อตกลงที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันหรือว่าส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกัน ส่วนน้อยอาจจะคิดแบบนอกกรอบแล้วก็มีวิธีการพิธีการพิธีกรรม ก, กฎกติกามากมายเกิดขึ้นมาแปลกแป ล, ก, แปลกใหม่ๆจะบางทีมีคำว่าสารเตี้ยสารเตี้ยไม่ได้เอากฎหมายกองคนหมู่มากเป็นเรื่องของคนสองคนสมคนระดมความคิดระดมสมอง แล้วก็ทำแบบแหกข้อออกกรอบออกไปเราก็เข้าใจได้มันก็ไม่ถูกไม่ผิดนมัเป็นเรื่องของธรรมชาติจะ่ละฝ่ายแต่ลฝ่ายที่ต้องแสดงออกมาตามกฎของกรรมเมื่อมีกรรมขาวต้องมีกรรมดํามีกรรมดีก็ต้องมีกรรมชั่วมีกรรมชั่วก็ต้องมีกรรมดีมีบุญก็ต้องมีบาปมีสุขก็ต้องมีทุก มีปัญหาต้องมีปัญญามีปัญญาท้ายสุดแก้ลึกเท่าไหร่ปัญหามันก็ลึกตามไปเท่านั้นอันนี้คือกฎของไตรลักษณ์ความเป็นจริงเพราะนั้นมันตรงไปตรงมาเอาวิชาความไม่รู้รู้ไม่ถูกถ้าไม่เกิดสังขารการปรุงขึ้นมาเป็นปุญญาที่สังขาร น, นะปุญญาที่สังขารคิดเป็นบุญคิดเป็นบาป เราคิดแล้วไม่บุญไม่บาปอภัยามันมีอยู่อภัยยาคตาคธรรมกุศลธรรมมาอกุศลธรรมอภยาคตาธรรมมาเนี่ยมันมีอยู่สังขารทไม่เกิดวิญญาณรู้ได้วิญญาณทํำไมเกิดนามรูป น, นามรูปได้เกิดสลายยตนะ มันเกิดเรียงกันไปเป็นวงจรของมันชัดๆตรงๆเรามาดูการเคลื่อนการไหวของธรรมชาติที่มีอยู่รูปธรรมนามธรรมเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกดูไปดูมาก็เห็นหน้าการทั้งหมดมันเป็นกฎของธรรมชาติธรรมดาธรรมดาเมื่อมันดูแบบมียระยะ มันไม่ได้ดูแบบเข้าไปอยู่เวลาคิดอยู่กับความคิดมันก็เหมือนกับเราเป็นผู้คิดความคิดเป็นเรามันเป็นตัวเดียวกันแต่พอดูเห็นมันมันคนละตัวกันมันไม่ใช่เราเราก็ไม่มีเราเมื่อไม่มีเรา ต่อให้มีอะไรมันมากมายขนาดไหนมันก็ไม่ยังมีเรามันก็ไม่ได้เกี่ยวกันเลยรูปมากระทบรูปก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราเองมีรูปไม่มีตามีตาไม่มีจิตไม่มีใจจิตวิญญาณหรือว่าจักษุวิญญาณมีหูไม่มีจิตไม่มีใจไม่มีความรู้ไม่มีตัวรู้ไม่มีรู้สึก มันกม็มีเรื่องของสดตทวิญญาณมีเสียงไม่มีหูวคนตายจุดไฟเผายังไม่ยอมวิ่งมีร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นลำขาดจิตขาดใจมันก็ยอมไหมก็ เ, าเผายอมไหมก็าทายัางไงก็ได้จับพิกซ้ายพิกขวาฉีดยาพมบรีนอาบน้ำศพจะกระแทกกระทันยังไงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ ขณะที่จิตใจของเรานะกับร่างกายของเราประกอบกันเป็นตัวชีวิตนะเคลื่อนไหวได้ทําอะไรก็ได้แต่ตัวใจเป็นทํำด้วยความหลงไม่ได้ทํำด้วยความรูนะ้ความหลงพาทำอวิชชาพาทำแนะ่นะนอนละ่ะอวิชชาทําให้เกิดสังขารการปรุงกันแต่งนะสังขารนะก็ต้องถูกรู้ถูกเห็นการปรุงกันแต่งในจิตนะ ภาษาพิธรมก็ชี้ตรงว่าจิตเจตสิกรูปนิพานเการศึกษาธรรมะก็ต้องเห็นไอ้สีอย่างเนี่ยจิตมันคืออะไรไปหาดูตรงๆมันเห็นที่ไหนมันมีตัวตนที่ไหนจิตเดิมแท้ว่างประพัดซป อ, องใสเหมือนใจดีเลยสุดนี่วิห า, ม ไ, าไม่ได้ยังไงมีนมีแต่อาการทั้งวันคือเจตสิก เสียงข้องดังมง้งไอเสียงดังมันไม่ใช่เสียงตีขณะตีมันก็ไม่ใช่เสียงดังการกระทบมันทำให้เกิดเสียงดังมันก็เคลื่อนไหวหไปเราก็รู้สึกได้ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมันทำให้เราเห็นอนาการต่างๆที่เกิดขึ้นมาเพราะนั้นความเป็นจริงขณนะต่อขณนะ ของเรามันยุคของนาโนเทค 3G น, ะนวัตรกรรมต่างๆเพราะนั้นความรู้สึกตัวนีเนชาติที่สุดเลยบอกกันตรงๆสด ๆ, สดๆไปๆนะมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะทำไม่ได้มันสามารถเอียนมาแล้ว ร, รู้สึกตัวทำได้ทั้งหมดขออย่างเดียวไม่ใช่เป็นคนที่วิพัลลาดหรือว่าคนที่ อ่อนทางด้านสติทางด้านปัญญาจริงๆแล้วก็เห็นทุกข์เห็นโทษของการที่จะมีชีวิตอยู่ยังเคว้งกว้างแล้วก็เหมือนกับว่าสเปสรบ ะ, ะทิศทางที่มันไม่ชัดเจนกษัตริยุคโบราณลำบากกว่าเราเยอะ เช่นการเดินทางขี่ช้างขี่มา้าลำบากของเรายุคที่มันมีนวัตกรรมพริบตาเดียวนะจะไปอยู่ตรงไหนมันก็ไปได้มันก็เป็นลิ์เป็นเดทนั่นก็คือสมองของมนุษย์ที่มันประกอบด้วยประสบการณนะ์ของปัญญาแบบโลกโลกทีนะ่มันใช้สมองเป็นความสะดวกมากมาย แต่ว่าไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหนือว่านั้นมันเป็นความสะดวกมันจะไปไหนได้ไวหรือไปไหนได้ช้ามันก็ไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับความรู้สึกตัวขณะต่อขณะนีมันไม่ใช่เร็วไม่ใช่ช้ามันเป็นความพอดีของชีวิตเราเหตุปัจจัยนะที่มันจะให้เราได้เหมือนกับว่าดํารงชีวิตเราก็เลือกได้ ที่เลือกได้เพราะว่าความรู้สึกตัวในกรอบของการวิบัิมันก็รู้จักว่าสันโดษคืออะไรมันรู้จักว่าตามใจตัวเองคืออะไรมันรู้จักวเวลาตามใจตัวเองแล้วก็ใจตัวเองที่โดนตามใจเนี่ยมันหลงหรือมันรู้มันก็เลือกเป็นบางทีก็ทำบางทีก็ขัดใจตัวเองบางทีก็ขัดใจ ท, ทั้งทีงท่มันอยู่ตรงหน้าแต่บางทีแล้ว บางทีที่ผ่านมาแล้วเนะี่ยเราไม่ได้เลือกอย่างนั้นเราทําตามใจทุกอย่างจนกระทั่งเหมือนกับว่าผลของการกระทามันทําให้เกิดทุกข์จนกระทั่งเหมือนกับ ว, ว่าเราเห็นแล้วว่าชีวิตที่มันผ่านมามันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่จริงๆนะก็เลยกระโดดมากันที่วัดป่าสุโกโตนี่แหละ อันนี้พูดถึงตัวเองนะว่าได้เลือกแล้วว่าวัดป่าสตตมันมีวิธีที่นําพานะชีวิตของเรานะโดินไปในทิศทางที่มันเหมือนกับสะดวกที่แบบสะดวกก็คือมันเป็นปกติมันไม่ทุกมันสะดวกตอนที่มันสุขสขุทุกทุ ก, ทกมันมีความสุขไม่สะดวกนะตอนที่มีความสุขมันก็เสียดายเสียนะดายไปจะต้องพัดภาค ตอนที่มันทุกมันกลยามขับใส่ผลักใส่เนหะมือนกับว่ามันอยู่ได้ยากทาั้งๆที่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราเหมือนกับว่าจะอยู่กับมันได้ยากเพียงแค่เราไม่เข้าใจนะว่าสิ่งที่เราอยู่ด้วยมันคืออะไรเท่านั้นเองบางทีคนก็ยังน่ารักเหมือนเดิมบางทีเสื้อผ้าก็ยังสวยเหมือนเดิมยังสะอาดสะอ้านเนื้อผ้าก็ยังดีเหมือนเดิม แต่ว่ามันไม่สนใจนะมันจะหาของใหม่ชีวิตที่เป็นชีวิตใหม่ๆแล้วต้องขนไกวยนะต้องทะยานยากมันก็เลยไม่จบไม่สิ้นเหนื่อยมากนะการไกว้คว้านะมันก็รู้แล้วว่าอ๋อมันมีทางออกทางเลือกเหมือนกันโดยเพราะว่าการที่เคยได้ยินได้ฟังนะการที่ได้ยินได้ฟังจากหลวงพ่อครูบาจารย์อย่างเชิญเช้านี้ หลวงพ่อมเขียนนั่นก็ไม่มาที่ไม่มาก็เลยเหตุที่ว่าเราก็เห็นแล้วว่ากี่ยุคกี่สมัยมาแล้วนหลวงปู่เทียนก็มรณภาพไปแล้วปีที่ผ่านมาครบร้อยปีอาจารย์ของหลวงปู่เทียนก็มรณภาพไปแล้วจนกระทั่งหลวงปู่มั่นหลวงพ่อจา่าอาจารย์พุรัตาทสหลวงพ่อสิมหลวงปู่สิม อีกมากมายหลายครูบาอาจารย์กระทั่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า 2,600 ปีเราไม่มนะีบุคคลนะที่จะอยู่ใกล้ชิดต่อไปนะมีตาล้มหายตายสูญไปแต่ว่าสิ่งที่จะต้องดำรงเอาไว้เหลื อ, อไว้บอกลูกบอกหลานนะบอกอนุชนคนรุ่นหลังนะก็คือความรู้สึกตัวนี่แหละ คามรู้สึกตัวความรู้สึกตั ว, ว, ม, ตวมันตรงไปตรงมาหลวงพ่อเทียนก็พูดไว้ชัดความรู้สึกตัวนะทําให้ถึงขั้นรูปนานทีหนึ่งนะมันเป็นการเข้ากระแสนะจนกระทั่งมันก็ว่ามันได้หลักได้หลักคือเห็นความคิดนะผมเห็นความคิดเนะี่ยข่าวนี้แหละสติปัญญานะีมันจะเด่นขึ้นมาเพรความคิดนะีจริงๆแล้วเนะี่ยเราสามารถที่จะเหมือนกับว่าเลือกนะความคิดมาใช้ได้ แต่ว่าเวลาปฏิบัตินี่คิดเท่าไหร่กลับมาทั้งหมดนะหมายถึงวความคิดท่มพุชเกิดขึ้นมาเองนะกลับมาได้ทั้งหมดบางทีปฏิบัติทำใหม่ๆนี่มันกลัวนะความคิดนะกลัวมากๆเพราะว่าเขาบอกว่าอยากเข้าไปในความคิดนะคิดเท่าไหร่กลับมาทั้งหมดอันนี้หมายถึงว่าเป็นคำพูดที่นะ ตีความเองว่าต้องการให้เราเนะี่ยรู้สึกที่ฐานกายให้ชัดซะก่อนนะเมื่อฐานกายการเคลื่อนการไหวของกายมันปรากฏเป็นรูปธรรมชัดนะมันไม่ใช่เป็นการคิดรู้นะถ้าไม่รู้ทันความคิดเห็นความคิดสัมผัสกับความคิดรูนะ้สมมติฐานการคิดนะมันจะกลายเป็นว่าความคิดเนะี่ยมันพาคิดนะว่ารู้อย่างเงี้ยตรงนั้นแหละคืออันตรายนะ ความคิดว่ารูนะ้ตรงนี้คือตัวอันตรายแต่พอเราเห็นสมมติฐานการคิดนะว่ามันเกิดตรงไหนพอเราเห็นแล้วมันมีความรู้สึกว่าอืมตรงนี้แหละคือสมมติฐานการคิดเคยพูดมาหลายครั้งและนะ้วว่าอาการของความคิดนะมันเกิดอยู่นะดันซ้ายดันซ้ายส่วนไอ้ความรู้สึกนะที่มันเป็นความรู้สึกของกายนะมันอยู่ดันขวารระขันนะ แต่ตัวสติมันอยู่ตรงกลางแล้วก็สูงความปกติเป็นกลางมันอยู่สูงมันเป็นปฏิยาการที่เราสัมผัสภายในใการวางใจที่พอดีมันเปรียบเหมือนกับว่าการระลึกรู้ที่พอดีรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างที่มันวางก็มันอยู่แต่พอมันมีการรู้ของรูปธรรมของรูปรอากั ร, ร ม, ม, มันเอียงทันที กวารู้สึกสวิตของกายเวลาจะหยิบมาใช้มันมันปรากฏทันทีมันเป็นคลื่นเป็นพลังงานที่แสดงออกทันทีการเคลื่อนการไหวเคลื่อนหยุนี่แหละมันบอกแล้วล่ะไม่ต้องพูดถึงว่าเวลามีอารมณ์ที่มันเข้าไปใช้ตัวหลงเข้าไปใช้ก็ยิ่งชัดเลยคราวนี้เวลามันคิดเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ ก็จะมีอาการแสดงออกอยู่ที่อีกซ้ายนไม่รู้สังเกตกันได้หรือเปล่านะเคยเคยเห็นอาจารย์กัพลทองบนนุ่มคนระั้งหนึ่งนะีท่านรู้ตรงนี้แล้วท่านก็พูดโนะดยการเขียนลงกระดาษท่านเขียนว่ามันเหมือนสามเหลี่ยมมัเหมือนสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ย ม, ม, ยมตรงบน มาตรงฐานตรงล่างสามเหลี่ยมตรงบนเราไปตรงฐานข้างล่างด้านซ้ายด้านขวาเราว่าเอ๊ะท่านพูดอะไรของท่านคนที่ไม่รู้นะหลายคนแต่ความรู้สึก ข, ของตัวเองนะมีความรู้สึกวืมเหมือนกันเลยมีข้างหนึ่งหลวงพ่ออมเขียนท่านเคยยกสามนิ้วขึ้นมาแล้วท่านก็เคยพูดว่านี่นะสติมันอยู่ตรงนี้นะ หลายคนก็งงกันฟังแล้วก็ผ่านไปไม่รู้มันคืออะไรแต่เราฟังนะโโหมันชัดเลยข้างในอันเดียวกันสติอยู่ตรงกลางแล้วสูงแล้ตัวลงก็ไอ้ตัวหลงก็สูงพอกันมันก็เลยมีอำนาจเวลาตัวรู้หายไปว่ากฎของไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ทำใหม่ๆพอหายไปปั๊บสติหายตัวรู้หายตัวหลงมาแทนที่ทันทีแล้วก็หลงไปในลักษณะที่ว่านิสัยกับนิสัยสันดานอย่างนี้ ครนี้พอมีสติชัดปั๊บแล้วก็ทํามานานแล้วจะกระทั่งเห็นตัวคิดชัดนะครา้นี้ละมันเห็นสมมติฐานมันก็เด่นขึ้นมาเลยสติเด่นขึ้นมาเราก็เห็นแล้วอ๋อแล้วหนาสติออกหน้าออกตาเนะมันเด่นขึ้นมาเป็นอย่างนี้นเนี่มันคือความตรงไปตรงมาในพระศาสนาที่มันเป็นอา น, นิสงส์เป็นผลนะมัน ก, กันกระทาแค่นี้จริงๆนะใครจะพูดยังไงมันก็เป็นเรื่องของเราที่เขาพูดนะ ไม่กระทัง้งกระดานี้ผมและธรรมาพูดก็ตามเมื่อเราได้สัมผัสของเราแล้วก็รู้แล้วสิ่งที่พูดมัน่ใช่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แบบของเราแต่ก็เชื่อว่าถ้ามันใช่จริงๆมันจะเกิดการไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะเป็นผลนะที่มันมันตรงไปตรงมาผลของการปฏิบัติมันจะต้องไม่ทำให้ตัวเองทุกข์และไม่ทาให้ผู้อื่นทุกข์มันจึงเป็นที่สุด ของการแสดงออกทางกายวาจาใจอย่างี้นะเพราะงั้นความรู้สึกตัวความเป็นปุติธรรมนะมันจึงเป็นสภาวะภายในใจของเราที่เป็นปัจจังตัวใครตัวเราจะได้สัมผัสเอาเองทำชั่วมันก็ทุกข์เอาเอ ง, ง, เอาเองภายในใจของเราไม่มีใครรู้ทำอะไรไม่มีคนเห็นเราก็ควรเหมือนกันเราก็เห็นตัวเอยงอยู่ทำอะไรทาง กายวาจาใจเป็นบุญเราก็เห็นอยู่สิ่งที่ทำเนี่ยเป็นบุญอย่างเงี้ยหรือว่าทําเป็นความรู้สึกตัวอย่างเงี้ยที่ทำเนี่ยไม่ได้เป็นบุญเป็นบาปอยมันเห็นอยู่เพราะฉะนั้นการกระทําทั้งหลายทั้งปว ง, งนะมันก็เป็นเรื่องของกรรมฐานที่เราจะต้องชัดเจนแล้วก็เกี่ยวข้องในรูปแบบนอกรูปแบบอะไรก็ตามหลวงพ่ อ, เ, อเขียนท่านเอ่ยไว้ชัดมากเลยว่าหลวงพ่อสอนทำมาตลอด หลวงพ่ออาภัพลูกศิษย์อาภัพออกมากลูกศิษย์เคยถามท่านว่าทําไมถึงพูดคํานี้เหรอลองพ่อคำว่าอาภัพลูกศิษย์ท่านบอกว่าชีวิตหลวงพ่อล้มเหลวนไม่ให้เขาตัดไม้ทำลายป่ า, าก็ตัดไม้ทำลายป่ามาแล้วไม่ให้เขาเผาป่าก็ เ, าเผารักษาน้ําน้ําก็เป็นมลพิษกินได้ยาก เมื่อก่อนน้ารอยเท้าควายนะวักมันกินได้เลยนะไม่ให้ก็โกรธก็โกรธกันทั้งบ้านทั้งเมืองทะเลาะ ก, กันนะสีนั้นสีนี้สีโน้นเีนะ้สอนคนนะให้ปฏิบัติธรรมให้มีสติมันก็ไม่มีสติกันให้เขารู้เขาก็หลงกันนะให้เขารู้สึกตัวก็ไม่รู้สึกตัวกันจนกระทั่งเคยเห็นเหมือนกันท่านสอนคนแรงนะ สอนให้รู้สึกตัวเช่นชื่อเจ้าย่อยเจ้าจ่อยเจ้าบุญหลายสามคนเนี่ยที่เคยเข้าวัดนะก็ไม่ได้ปกติมาเล่าเนะอย่างเจ้าย่อยมาที่นี่ก็คิดจะเอาอย่างเดียวนะเผลอไม่ได้แฟบหายไปแล้วในการู้รอขอมีค่าส่วนเจ้าจ่อย จ้จ่อยมาก็เด้งหน้าเด้งหลังเดินไปสามเก้าถอยมาห้าเก้าเวลาได้ยินเสียงเพลงก็เต้นยิกยักยิกยักมาคนก็กลัวทั้งวัดเนี่ยหลวงพ่อท่านก็จะเดินก็ไปเสร็จแล้วก็จะไปยิกบิดเลยเราก็ไม่เคยเห็นนะหลวงพ่อท่านไปยิกยิกตรงขาเนี่ยนะนะหรือบางทีก็ตรงพุงนะแล้วท่านก็บิดนะเราก็ถามหลวงพ่อ ยิกก็ทำไมเพราะหลวงพ่อจะบอกว่าหยิกมันให้มันรู้สึกตัวหยิกมันให้มันรู้สึกตัวอย่างเมีรู้สึกตัวนะเพระบางทีหลวงพ่อไปยึด ต, ตัวแต่ว่าตอนหลังเรื่องพ่อไม่สอนไม่บอกลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าทุกคนเป็นบรญญาชนนะตัวไม่มีป้ายบอกตัวไม่มีการพูดการจาบอกการกระทํา หลวงพ่อก็รู้แล้ว่าพวกเราได้รู้แล้วปัญญาชนเข้ามานะการสำรวมในวัดเป็นยังไงจดหมายจิประสงค์องวัดเป็นยังไงครูนะอาจารย์ท่านถ่ายทอดท่านเทนะจนหมดเลี่ยงหมดแรงร่ายยุคนี้เป็นยังไงนะท่านก็บอกว่าท่านหายป่วยท่านก็อยากจะสอนทำเนะดี๋ยวพอที่นี่ท่านเทธรรมะไหลนะถ้าได้เทตรงนี้นั่งตรงนี้ไหลที่อื่นไม่เคยไหลไม่ค่อยไหลนะถึงไหลก็ไหลน้อยมาก เราก็เลยเนี่ยแหละสิ่งที่ท่านพูดเป็นของมีค่านหาได้ยากหาฟังได้ยากแล้วก็น้อมเอามาวิสัยของเราที่เรามาเรารูล้ลราจะมารับรู้เรียนรู้นะฝึกหาอะไรกันเนี่ยมันก็ตรงไปตรงมาในสิ่งท่านชี้ท่านนาท่านชี้แล้วว่าเออสติมันอยู่สูงนะนิ้วกลางนะเวลาเผลอหลงไปไปซ้ายไปขวา <c oughs> เวลารู้เนี่ยรู้แบบตัดๆไม่ใช่รู้แล้วไปต่อ ถ้ารู้ต่อเป็นสมาธิถ้ารู้แบบตัดตัดมันเป็นวิปัสสนาเราก็เจิงนี่แหละได้ยินได้ฟังกันเราสำหรับเช้านี้ก็พูดให้ฟังกันนี้นะนะกล่าบพระพร้อมกัน